สมาธิแน่นหนามั่นคงติดสุขในสมาธิย้อนกลับมากล่าวถึงการโหมความผ่าเพียนในพรรษาที่สิบของดุงตาจนทำให้ผลแห่งสมาธิธรรมของท่าน ในระยะนั้นมีความแน่นหนามั่นคงมากดังนี้จิตมีความเจริญขึ้นเรื่อยๆสมาธิมีความแน่นหนามั่นคงถึงขนาดที่ว่าจะให้แน่วูอยู่ในสมาธินั้นสักกี่ชั่วโมงก็อยู่ได้และเป็นความสุขอย่างยิ่ง อยากการที่จิตใจไม่ฟุ้งซ่านราคาญไม่อยากจะออกยุ่งกับอะไรเลยตาก็ไม่อยากดูหูก็ไม่อยากฟังเพราะมันเป็นการยุ่งกวน ร, รบกวนจิตใจให้กระเพื่อมเปล่าๆแต่มีความพอใจยินดีอยู่กับการที่จิตยังเข้าสู่ความรู้อันเดียว แน่วอยู่อย่างนั้นนี่ล่ละมันทำให้ติดได้อย่างนี้นี่เองจนขนาดที่ว่าสุดท้ายก็นึกว่าความรู้ที่เด่นๆอยู่นี้เองจะเป็นนิพพานจอกันอยู่นั้นว่าจะเป็นนิพพานสุดท้ายมันก็เป็นสมาธิอยู่อย่างนั้นละ่ะจนกระทั่งวันตายก็จะต้องเป็นสมาธิและ ติดสมาธิจนกระทั่งวันตายสำหรับตัวท่านติดสมาธิอยู่เช่นนี้ถึงห้าปีเต็มยังไม่ยอมก้าวเข้าสู่ขั้นปัญญาเพื่อทอดถอนกิเลสออกให้สิ้นซาก